สมาธิแนวชาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของกายที่นั่งนานๆย่อมเกิดความมึนชาขึ้นมาถ้ารู้สึกเจ็บปวดตัวชาขึ้นมาแล้ ว, ล ว, ลวเราหยุดเปลี่ยนอิริยาบถสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรากําหนดจิตอย่างเดียวเดินเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการบริหารร่างกายตามหลักสุขภาพพลานามัยซึ่ง เราไปเรียนมาทางฝ่ายหมอย่อมเข้าใจอยู่แล้ว <c oughs> แล้วทีนี้เราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเฝ้าเต้าอ้ก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้จิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตอย่างเดียวการเดินเดินนั่งนอนเราแสดงค่าประกอบเท่านั้นนั่งขัดสมาธิก็เรียกว่านั่งสมาธิเดินตรงกลมเรียกว่าเดินสมาธิเดินตรงอ่ายนืนกําหนดติตเรียกว่าเดินทำสมาธิ นอนกำหนดติดเรียกว่านอนทำสมาธิถ้าพยายามทําสมาธิในท่านอนมากๆได้ยิ่งเป็นการดีถ้าท่านผู้ใดกําหนดติดทําสมาธิในเวลานอนได้ถ้านอนลงไปแล้วกําหนดติดพิจารณาอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราจะยกมาเป็นเครื่องพิจรารณาพิจารณาไปจนกระทั่งนอนหลับพอหลับแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับ เมื่อสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับตายเราก็จะเบาจิตเราก็จะเบาเป็นการพักผ่อนอย่างที่มีประโยชน์ที่สุดแต่ความรู้สึกนั้นอาจจะนยกว่าคืนนี้เรานอ น, อนไม่หลับทั้งคืนพอจิตมันตื่นสมาธิคือการนอนหลับอาการที่จิตตั้าลงสู่สมาธิในขั้นแรกคือการนอนหลับ พอนอนหลับสนิทแล้วส ต, ติมันตื่นขึ้นภายในกลายเป็นสมาธิการทำสมาธิในเวลานอนนี่รู้สึกว่าจะง่ายกว่าในขณะที่นั่งพยายามทำทำทำบ่อยๆภาวลาพุโตพุโตพูโตแล้วพิจนารณาอะไรก็ต า, ามมันช่วยให้เรานอนหลับเร็วขึ้น หนเม่หลับเร็วขึ้นเราก็ทำกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งสิตมันทำนิ่งทานานแล้วภายหลังความหลับมันจะกลายเป็นสมาธิขึ้นใหม่เองอยู่ที่การพยายามอย่างเดียววิธีทมสมาธิตั้งที่สมาด้เสนอและไปเนี่ยได้ทดสอบมาแล้วสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยท่ทานตั้งใจทำจริง ในที่นี้ในโรงพยาบาลนี่ก็มีท่านบางท่านไปเล่าให้ฟังเหมือนกันท่านภาวนาพุโทโธพุโทโธยกหนอคลองนอสัมมา阿拉หังมันก็ไม่ได้ผลภายหลังท่านมาเปลี่ยนเป็นว่าที่ตกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาแม้เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็ตามท่านสามารถทำํำจิตให้สงบมีปิติมีความตก ข, ขึ้นมาได้ แล้วภายหลังก็ไปถามพระไปถามพระภาวลาภุโทท่านก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกอย่างของอัตมานี่ถึงจะถูกไปถามยกหนอปองหนอก็โอ้ยอันนั้นมันทางโค้งมันไม่ตรงของอัตมานี่สําเร็จเกียไปถามที่สัมมา阿拉หังก็ไปแนะนำให้ไปสร้างดวงแก้วดวงแหวนพ้อมก็ทำไม่ได้ แล้วมันมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมพระจึงรู้ไม่เหมือนกันท่านคนนั้นได้ถามว่าทำไมพระจึงรู้ไม่เหมือนกันในเมื่อทำสมาธิเสร็จปรุงความรู้ขึ้นมาแล้วพระรู้แตกต่างกันก็แสดงว่าธรรมะไม่จริงซึ่สมาธิก็ไม่จริงคนปฏิบัติจึงรู้ต่างกันเห็นต่างกัน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 สมาธิอันนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อปูนแต่การสร้างโลกให้เจริญไอพ้พกนั่งหลับตาไม่เอาไหนมองมาข้างนอกนี่แต่อุปสรรคขัดขวางนั่นเลยสมาธิแบบนั้นจะทำให้โลกเสื่อมอย่าไปเอาเป็นตัวอย่างเลยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ยที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยอิจาที่เรียนมาอะไรก็ได้วิจฉาพระยาบาลอิชาแพทย์ใครเจผ่าตัด วิจัยร่างกายของสางศพอะไรต่างๆเนี่ยเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาหาพิจารณาเรื่องของกายก็เรียกว่ากายยตตาสตุพระเจ้าพระสงฆ์ท่านว่าพิจารณาเออหัตยัยงหัวใจอะไรสัพาสังสดมุนีท่านไม่ได้รู้ในผมอย่างพวกท่านหรอก ท่านเป็นคุณหมอนี่เอาหัวใจเอาปอดเอาตับไตไ้ปุงมาผ่ามาวิจัยกจนกระทั่ทงว่าเส้นเล็กเส้นน้อยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรท่านรู้ละเอียดกว่าพระแม้หลับตาปั๊บลงไปเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นแล้วสึงใดที่มองเห็นแล้วก็แทงจิตมองดูพิจารณาในสิ่งนัน้นทั้งละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตมันคล่องต่อการพิจารณาแล้วมันจะได้ผลขึ้นไหมเอง ไอ้เรื่องทรมาที่ท่านเขียนไว้ในพระพิธรรมว่าจุดร้อยี่สิบจุดแปดจุดเก้าดวงร้อยี่สิบเอ็ดวงโรผ้ามูลแต่โทสะมูลสองโมหมูลสอ ง, อ, งอะไรมนี่อย่าไปไล่อย่าไปนับมันเอาไปนนเดียงแค่ว่าอารมณ์โูกมันผ่านเข้ามาทางตานี่เราจะไม่ให้ลกกขบดขยี่หัวใจเราได้อย่างไรเสียงที่มาในโหนี่ เราจะป้องกันอย่างไรจะไม่ให้มันเปนโจนขโมยความปกติของจุดของเราได้เอากันที่ตรงนี้แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมีชื่ออะไรก็เถอะแต่ไขปัญหาหัวใจทั้งเราให้มีคว า, า, ามสุขความสบายจะทํางานได้สะดวกคล่องเท่นี่เป็นเป็นสิ่งสาคัญที่สุดสารโลดุจะเป็นรับอันนั้นมีเท่านั้นอันนี้มีเท่านี้ เออถ้าอย่างมีอาชีพเพืจกินเครื่องกันอย่างอาชมานี่พอที่จะไปท่องหน่อยไม่อยากพวกท่านดี่จะไปสนใจเลยเอากันแต่เพียงว่าให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในหมดใช่ได้แล้วปัญหาต่อไป <c oughs> ที่ทำสมาธิแล้วต้องทำงานในโลกได้แต่ขณะกำลังศึกษาอยู่นั้น ถ้ามีโอกาสได้เู้โดยละการงานพั่วขา่าวจะทำให้ศึกษาได้ผลเร็วขึ้นกว่าการศึกษาไปกว่าการศึกษาไปทำงานในขอน้อนีจริงหรือไม่อริอาตมาจะขอเล่าเรื่องในสมัยที่เป็นนักเรียน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 ตอนสอบประเลียนประโยคสามเนี่ยได้ข้อสอบทั้งสองวิชาคือวิชาแปลและวิชาสัมพันธ์ก็อาศัยการทำสมาธิทีนี้การทำสมาธิในขณะที่ศึกษาอยู่นี่เราก็เอาหลักวิชาการของเรานั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเช็นอย่างสมมติว่าเราจะเรียนวิชาอะไรในวันนี้ พอเลิาจากรงเรียนมาแล้วเวลาเราหาที่สงบเวลาท่ำาึ้นมาหลังจากอ่านหนังสือดูหนังสือแล้วหรือเราจะเอาเรื่องที่เราอ่านหนังสือดูหนังสือในวันนั้นมากำลดคิดพิจารณาตามที่เราได้อ่านได้เรียนมาเอาหลักวิชาการของเรามาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานเหมือนกันได้ผลดี ถ้าหากว่าถือโอกาสเวลาว่างๆจากการเรียนเช่นโรงเรียนปิดเทอมจะถือโอกาสไปบวชหรือว่าจะไม่บวชก็ตาไปหาที่สงบสิริเรศที่มีครูบาอาจารย์แนะลำจะไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็จะทำให้เกิดผลดีขึ้น <c oughs> จรงอะไรทางราชการควรจะให้ข้าราชการเพิ่มปฏิบททัติทรมือโอกาสอะไรลาราชการสักหนึ่งปีสองปีไปปฏิบัติจริงๆจนได้ผลระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยกลับมา ด้วยสังคมหลวงพ่อจะเห็นด้วยไหมอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่ในสังคมเปล่าสังคมนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเราจะพิจารณาสังคมในแง่พระใจรักเกลื่อนจริงทุกขังอนัตตาเราก็มีสิ่งที่จะพิจารณากันได้ตลอด แม้แต่เพื่อนผูงในสังคมของเราแสดงกิริยามาร ย, ยาทคำพูดคำจาอะไรต่างๆออกมาคนละรูปแบบซึ่งไม่ตรงกันมันก็็นกระทั่ ง, ทงนิสัยใจคอที่แสดงออกมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังไม่เที่ยงบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรไม่สมหลืองสง ม, มันก็มันก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นภพเป็นอนัตตาเหมือนกัน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 กำหนดเอาจริงเหล่านี้เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานอย่าไปถึงกับขนาดพึ่งการพึ่งงานเลยขอให้ร้องพรช่วยอพิบายเรื่องการ p ่งอายุสังขารของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านตรงอายุสังขารของท่าน ตั้งแต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอริยเจ้าเพื่อท่านตรงหมดแล้วปรงก็คือปล่อยวางปล่อยวางความถือว่ากายทั้งสิ้นเป็นตัวเป็นตนสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวเป็นตนตอะไรทานองนี้แต่การปรงอายุสังขารของพระอริยเจ้าตามคำถามนี้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 เราก็จะไปแล้วอะไรสํานองนี่อย่างนี้เพื่อนะหธรรมมิตรรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่งเขา่อกไี่เคยบวชเป็นสามะเลนอยู่ที่วัดสัพพุมชื่อสามะเลนประไมเวลาท่านจะสิ้นใจท่านบอกว่าให้คอยดูเข็มนาริกานะถ้าเข็มนาฬานะิากม า, ฬามาถึงเลขตัวนี้ผมจะไปแล้วคือี้เพื่อนสูงก็นั่งต้อง ตอ้องเกตตัวู่พอเสร็จนาฬิกาเดินไปถึงเลขตัวนี้ครับเนมประไมยก็ขาดใจก็ดีอันนี้คือการลักษณะของการตรงอายุสังขารคือกำหนดเวลาตายนั่นเองอันนี้ปัญหาเี่ <c oughs> อปัญหาหนึ่งโดยสาบ่าพรล้กุศเจ้าขูวัดประทุมวนารามผมได้มีหนังสือธรร ม, มานุวัต เ่สามเณรประไมเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือธรร ม, มานุวัตรกรัชสาวิสีของท่านสามเณรศรีลาทิเลโตรประไมากาลเนตเข้าใจว่าพระเดชพระคุณทรงจะรู้จัก ข, ขอถามว่านังสือสองเรื่องนี้เป็นแบบศึกษาได้ไหมอ่านังสือไอ หนังสือสายศาสนาวิถีนี่ยังไม่เคยเห็นต่เคยได้อ่านหนังสือธรรมมาลวัตและอตมาถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติใช้เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุดสําหรับหนังสือเล่ม น, นี้นี่ตรงนันที่มหาบุกกรุงจะมีตอนหลังๆนี่เขาก็พิมพ์ขายจําหน่ายกันดิ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 อันนี้ได้ในคำว่าสุหนวาจาสเสียจยุยงเราพูดความจริงแต่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและแตกสามัคคีกันหรือว่าเป็นวจีทุกจริตแม้จะเป็นความจริงก็ตามความจริงบางอย่างถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ควรพูดก็อย่าพูด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 และทําใจให้สงบได้ถือเป็นการทาบุญด้วยหรือไม่อันนี้เป็นการถือเป็นการทําดีการทําบุญตับบาตบ่อยๆการฟังธรรมบ่อยๆก็เป็นการฝูกนิสัยของเราให้เกิดมีใจบุญใจกุศลใจศรัทธาแต่ถ้าเรามีจิตเมตตาและมีจิตเป็นใจอ่ามีใจเป็นใจบุญอยู่แล้วก็ เราจะทําบุญตัด บ, บาทฟังธรรมตามโอกาสที่เราสามารถจะทําได้ก็ได้ไม่ไม่ต้องถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องทาแต่ทําได้เป็นการดีเป็นเพื่อการเพิ่ม บ, บุญเพิ่มกุศลทําใจให้สงบได้ถ้าทําใจให้สงบได้มันก็เป็นยอดบุญแล้ว ปัญหาต่อไปขณะนั่งสมาธิมีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือนึกคิดขึ้นเองครั้งหนึงขณะนั่งสมาธิมีคนรู้จากที่ตายไปแล้วมาปรากฏทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เคยนึกถึงเขามาก่อนอยากทราบว่าภาพนี้เป็นจริงหรือไม่ภาจริงเกิดขึ้นได้อย่างไร <c oughs> ภาพนี้เป็นทั้งเป็นทั้งจริงแหละไม่จริงถ้าหากว่านิน้ดนั้นในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องความจริงแต่ถ้านิน้นเกิดขึ้นแล้วมันไม่จริงก็ไม่จริงอันนี้สุดแท้แต่จิตของเราจะกลุ่เป็นมโนภาพขึ้นมาถ้าหากว่า <c oughs> จิตของเรามีความมั่นคงเพียงพอมีสติสัมปชัญญะเพียงพอนีเนืที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นความจริงแต่ส่วนมากภาพในเนื้อท่ขั้นต้นๆนี่มันจะเกิดขึ้นในระยะที่เราบริกรรมภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตมันเคลิ้มๆเกิดสว่างจิตมันลอยแจ้งฟางสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์พอกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็เกิดภาพนินิ้ต่างๆขึ้นมา อันนี้ให้ทําความเข้าใจว่าเป็นมนโนภาพเอาไว้ก่อนจะเพิ่งสําคัญมั่นหมายว่าเป็นความจริงเถือว่าเป็นเครื่องูลของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์อันหนึ่งเราอาจจะกําหนดโลภาพนิดนั้นเอาเป็นเครื่องูลของจิตเครื่องระลึกของสติแล้วภาพนินดนั้นอาจจะแสดงให้เราโลเห็นในแง่กรรมฐานอัตตุภาพกรรมฐานเป็นต้นก็ได้ ปัญหาต่อไปดิฉันเคยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของฝ่ายมหายานแห่งหนึ่งสถานที่ของเขาสะอาดมากผู้ที่ไปจะพยายามช่วยกันทําความสะอาดอย่างดีทั้งๆ ท, ที่สะอาดอยู่แล้วก็ยังช่วยกันทําอยู่อีกทั้งนี้เพระเขาสอนว่าการช่วยกันทําความสะอาดนั้นเป็นการรับใช้พระ ได้บุญมากการทําความสะอาดเปนจิตวัดอย่างหนึง่งเช่นอย่างพระสงฆ์ต้องมีการทําความสะอาดวัดอย่างที่วัดพอบ่ายสามโมงก็ถือไม่กวาดคนละอันละอันกวาดทุกวันทุกวันแม้ว่าวัดมันจะสะอาดอยู่ก็ต้องกวาดกวาดเป็นจิตวัดประจําวันถือเป็นการทำรัก ทำลาสีน้องตอนเองให้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งเรากอบกับการปฏิบัติแล้วเป็นการออกกำลังกายในตัวก็ <c oughs> ส, อสองทางฝ่ายทุกของเราไม่ทราบว่ามีสอไนไว้แบบนี้หรือไม่หรอฉันจกให้วัดของเราสะอาดกว่านี้โดยทั่วไปอันนี้เป็นข้อวัดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยตรง อวัดที่จะเปิงปฏิบัติมีอาจาริยวัดอุปชายาวัดอารามนิกวัดหมายถึงทําความสะอาดแล้วก็ทัดตัดเขาวัดทำความสะอาดโรงขันเก็บกุฏิวัดทําความสะอาดในข่วมในฐานสมัยพุทธกาลนี่ข่วมของพระสถานของพระพุทธเจ้าเนี่ย สามาเรีนผนไปรักษาวความสะอาดเพ็ดถูอย่างดีแล้วก็เอาดอกไม้ไปโปรยเอาไว้อันนี้เป็นหน้าที่เรื่องเรื่องการบริหารกายการทำความสะอาดเอกานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างละเอียดแล้วออทีเดียวถ้าหาเราจะพิจารณาถึงหลักรักษา ส, สุขภาพอนาัย ในวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้อย่างละเอียดแต่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านศึกษาวินัยเพียงแค่ว่าทาอย่างนี้เป็นอาบัติอย่างนั้นวัดปุกประสงค์ของการบัญญัติวินัยข้อนั้นนั้นน่ะท่านไม่อยจะได้คํหนึ่งถึงเช่นอย่างท่านสอนว่าถ้าทิสูเข้าไปทาจิตในในในในตัวพอเสร็จแล้วต้องล้างด้วยน้า ก่อนที่จะเข้าไปในให้กวาดเสก่อนทำไมจึงให้กวาดเสยก่อนที่ให้กวาดเสยก่อนนั่นก็จะเป็นการตรวจตาดูว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษมีอะไรอยู่ในนั่นด้วยหรืออาจจะมีเศษไม้เศษไร่ที่จะปัดตําออกทีนี้พอทำกุ้ละจิตเสร็จแล้วแ็ดแล้วก็ล้างด้วยน้ำล้างด้วยน้ำเสร็จแล้วต้องแคดด้วยผ้าให้แห้งถ้ายังปล่อยให้น้าเหลือติดอยู่ ต้องอาบัตทุกกททุกหยดน้ำนสอนไว้อย่างนี้ที่นี้ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อรักษาสุขภาพอนณามมยทุกสิ่งทุกอย่างแม้แตะพลาดชนะที่ใส่น้าขันข้าวเวล า, ชาวเช้านี่ต้องล้างต้องขัดให้สะอาดจนหมดกลิ่นข่าวกินอาหารติดสู่ไม่ได้แต่พระพิสุส่วนมากท่านจะเข้าใจว่า การรักษาเช่นนี้เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดตยูเมื่อไปใส่น้ำถั่ตซอนบายจะไม่เป็นอาบัดปาจิตติเพราะวิการะโบชนะท่านเข้าใจกันอย่างนี้แต่แท้ที่จริงนั้นเพื่อชำละสิ่งโสโครสิ่งโสโครกโสโครหมักมมไม่นานมันอาจจะเกิดบูดเน่าพอใส่น้ำดึ่มลงไปทำให้ท้องเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บ แล้วข้อต่อไปโลกกับพืเพื่อนไปไหวอริยะอยู่พระอริยะอยู่บ่อยๆและพระอริยะหลายองค์ถามลูกถึงการการไม่เรียนปฏิบัติการไปเรียนปฏิบัติธรรมาจากที่ไหนทั้งๆ ท, ที่โลกกับพระอริยะไม่รู้จักกันมาก่อนลูกก็สงสัยว่าท่านทราบได้อย่างไร และโลกก็อะไรอ่าไม่ต่อออกแล้วทำไมท่านท่านถึงถามคนอื่นท่านจึงไม่ถามคนอื่นอื่นอันนี้จะว่าท่านรู้ก็ไม่เยิยจะว่าไม่รู้ก็ไม่เยิย อย่างบางทีอาตมาเวลามีคนไปนั่งถามปัญหามากๆที่เกียดรอให้เขาตอบที่เกียดรอให้เขาถามก็อธิบายหวดไปจปนจบเรื่องพอเสร็จแล้วถามว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอีกเขาก็บมาว่าหลวงพ่อแก้ไปหมดแล้วหลวงพ่อช่างรู้จิตรู้ใจแต่ความจริงไม่รู้หรอกปัญหาเรื่องจิตใจนี่มัน ปัญหาขายเกียวกับแ บ, บ่โฟมเสีิดโฟมใจเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเหมือนดูกโซ่พูดไปตรงไหนเหนมือนก็ตรง ต, รงรต้นปตุกีว่าพระอริยะท่านรู้ได้อย่างไรอันนี้มันมันใกล้ๆกับว่ามีความรู้สึกชนิดหนึ่งไปเตือ น, นท่านให้ท่านอยากจะพูดอย่างนั้นแต่ความจริงโดยตรงโดยทางตร ง, งแล้วท่านไม่รู้หรอกปัญหาต่อไปฝึกสมาธิอยู่สองปีนิสัยก็เปลี่ยน เือชอบอยู่ลำพังอ่านหนังสือธรรมะอาการอย่างนี้คือกำลังจะเป็นบ้าชใช่ไหมอการทำสมาธิในท่านตนต น, นเมื่อเจตโรคคือสุกสงบลรงไปบั้งเจตมันติดความสงบมันชอบดีวอยู่เงียบเงียบคนเดียวเป็นเรื่องของธรรมดาอันนี้ไม่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 ในขั้นนี้ปัสนากรรมฐานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้วุ่นวายมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องเ ล, ลึกของสติทําให้จิตรวมเห็นจริงลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งนั้นในขั้นนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้สะก่อน เจตสติสัมปัชญยะเจตคือตัวรู้ตึกตัวนึกตัคิดในรู้จากนิจากตัวสติเป็นเครื่องสติคือคุณชาติที่ระลึกคือความตั้งใจในเมื่อตั้งใจแล้วมีความโลภพร้อมความโลภพร้อมนั้นเป็นลักษณะของสัมปัชญยะสติกับสัมปัชญยะบวกกันเข้าเมื่อเกิดมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วก ล, ลายเป็นปัญญา เมื่อเกิดเป็นปัญญาแล้วก็เกิดภูมิความโล้นมาทีนี้ปัญญาภูมิความโล่นี่เป็นเหตุให้เกิดพิชชาถ้าเกิดพิชชาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ข้อเท็จจริงในความโล่ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิชชาอย่างใดธรรมจากกัปวัตนสูตรเมื่อจิตอย่างโู่ถึงคำแล้วจับพุ่งอุตปาฏิจับปุบังเกิดขึ้น ในเมื่อจิตบังเกิดขึ้นยาณอุทปาีิญาณอย่างรู้ก็เกิดขึ้นในเมื่อญาณอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุาทปาีิปัญญาก็เกิดขึ้นทีนี้ปัญญาคือความรู้นี่มันไม่มีขอบเขตมันรู้มากๆทีนี้ความรู้ทันความรู้แจ้งเห็นจริงในความรู้นั้นตามก็อเท็จจริงเรียกว่าวิชาในเมื่อวิชาบังเกิดขึ้นอาโลโออกอุกอทปาธิจิตติสิต เกิดความสุขเกิดความเบิกบานอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าไปสู่ความสงบอาโลโกอุทปาที่ความสว่างสวัยบางเกิดขึ้นอันนี้ตามหลักของธรรมาจากกัปตวัตษนาสุ